ตั้งใจภาวนาเราจะได้พึ่งพาอาศัยก็เพราะการภาวนานี่แหละไปพึ่งอย่างอื่นนะพึ่งได้ไน่นานหรอกปรเดี้ยวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็จะจนจนด้วยกลา่าวเพราะว่าในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรอื่นที่จะพึ่งได้หรอกตามปกติ นิสัยของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่หวังพึ่งคือความหวาดกลัวมันมีอยู่คือความหวาดกลัวแล้วก็ดงหวังที่พึ่งหวังก็หวังไม่เป็นหาที่พึ่งก็หาไม่เป็นก็าหาออกไปข้างนอกคนเราที่ขวัญขวายต่างๆในโลกนี้แท้ที่จริงแล้วก็เพื่อจะหา อะไรนาะที่มันจะเป็นที่พึ่งแก่ตนนั่นแหละหาข้าวปลาอาหารหาทรัพย์สมบัติหาชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆอะไรเหล่านั้นนะเพื่อจะเป็นที่พึ่งของตนหาเงินหาทองมาก็เพื่อหวังว่าจะต่อไปจะได้พึ่งพาอาศัยเงินทองนี้เป็นเครื่องค้าเครื่องจุนให้ชีวิตของตนอยู่ไปได้ด้วยดีอยู่ไปได้ยืน ย, นยา ว, ยาว หาชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณก็จากให้คนอื่นเขานับถือนับหน้าพึา่งสามีความเชื่อถือก็หวังจะพึ่งบุคคลเหล่านั้นแหละถ้าพึ่งไม่ได้ด้วยกำลังหรือด้วยทรัพย์สิสนหรืออะไรบังพึ่งด้วยความประโลมใจว่าอย่างน้อยเขาก็ยังนับถือเรายัางยกย่องเรานับถือเรานิยมเราอยู่ จิต ใ, ใจก็รู้สึกว่าเบิกบานอบอุ่นว่ามีคนเข้านับถือมีคนเขายกย่องมีคนเขาเอาใจใส่อยู่คิดว่าอย่างนั้นนั่นแหละแล้วในที่สุดนั้นพึ่งไม่ได้หรอกสีต่างๆเรานั้นยิ่งไกลไปเท่าไหร่ยิ่งพึ่งไม่ได้ในโลกนี้มันหักไปอย่างนั้นแหละอยู่ที่จะไกลออกไปมากๆนี่พึ่งได้น้อยลงน้อยลงใกล้เข้ามานี่จะพึ่งได้บ้าง เหมือนอย่างไม้เนี่ยมันอยู่โน่นอยู่ไกลนน่นอยู่ในป่าโน่นมันจะดีขนาดไหนแข็งแรงขนาดไหนจะเป็นไม้พันธุ์ดีจะสวยจะงามขนาดไหนก็ใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้ต่อเมื่อเราได้มาแล้วเป็นแผ่นไม้เป็นไม้กระดานเป็นไม้เสาที่สามารถเอามาทําบ้านทําเรือนพอจะพึ่งพอจะอยู่อาศัยได้ แต่ถ้าสีเหล่านั้นถ้ามันใกล้ตัวที่สุดใน ไ, ไม้เท้าเนี่ยไม้เท้าเนี่พึ่งได้ดีอย่างอื่นอยู่ไกลตัวนจะคว้าหามันไม่ทันการสีที่อยู่ใกล้นี่ยทันการกว่าถึงจะพึ่งได้เล็กๆน้อยๆก็ยังเรียกว่าได้พึ่งยังพึ่งได้ส่วนสีที่ใหญ่โตยิ่งใหญ่มันอยู่ไกลคว้าไม่ถึง จิตของเราเนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ความจริงเป็นอยู่กับตัวมาตลอดคือจิตนี่แหละคือตัวจิตนี่แหละคือเราแต่แล้วเราก็หนีจากอันเนี้ยหนีจากตัวเองเนี่ยซึ่งมันจะดีที่สุดแบบนีไ้ไวเสียไม่กลับมาสักทีมันก็เลยที่พึ่งสมควรจะทำใกล้ๆตัวนี่ก็เลยไม่ได้ทำ นี่แหละเป็นเหตุให้เราไร้ที่พึ่งเมื่อถึงคราวคับขันเข้ามาแล้วก็ไร้ที่พึ่งหมดที่พึ่งหวังพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุมากแก่เท่าหญิงหวังพึ่งมากหวังพึ่งลูกหวังพึ่งหลานหวังพึ่งหลานไม่พอหวังพึ่งเหลนหวังพึ่งหมู่คณะหวังพึ่งอะไรต่อไปต่างๆมากมายเจ็บไข้เดรวยก็คิดว่าจะหวังพึ่งโรงพยาบาล หวังถึงหมอสุดแค่นั้นไม่มีความหวังเกินนั่นไปอีกไม่มีมันไปตันแล้วมันไปตันแล้วตันที่หมอเนี่เพราะว่าคนเราเนี่ยเจ็บใคร้ดืปว่วยแล้วถัดจากนั่นไปคือตายเมื่อไปถึงหมอหมอท่านก็รักษาดีที่สุดแะโรงพยาบาลก็มีชื่อเสียงที่สุดมีเครื่องไม้เครื่องมือท่านสมัยดีที่สุดในสมัยนั้นๆแต่ในสุดตาย คือหมายความว่าพึ่งไม่ได้พึ่งหมอก็พึ่งไม่ได้พึ่งลงไ้บ้านก็พึ่งไม่ได้อยู่ยาที่ว ด, ดีนักหนาก็ใช้แล้วกินแล้วไม่เป็นประโยชน์ไม่หายพึ่งไม่ได้นั่นแหละมันไปถึงที่สุดตรงนั้นแล้วเข้ามาพึ่งที่ไหนบุคคลอย่างนั้นก็เข้ามาพึ่งใจตนเองเหมือนกันคือมันทำยังไงไม่ได้แล้วมันสุดที่แล้ว ก็เลยกลับมามาดูเจ้าของดูเจ้าของก็กระวนกระวายสิหเหล่านี้จิตใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมไม่มีหลักเลยว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะเอาใจไว้ตรงไหนจะคิดพิจรารณาอะไรหรือจะกําหนดจิตยอย่างไรเนื่องจากไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาเลยเลยไม่รู้จักไม่รู้จะทำยังไงจิตใจก็บิ่งวันไปเรื่อยค่ะเนี่ มุงสร้างไปไปในเรื่องที่เจ้าของเคยกระทํามาต่างๆเคยกระทํามาเป็นนิสยัยเป็นสิ่งที่เจ้าของได้กระทํามามันกระทบกระเทือนใจแรงๆอย่างเนี้ยจิตใจก็เท่นผ่านไปในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเมื่อคนใกล้จะตายเมื่อจิตใจมันกระสับกระสายไปพบเรื่องอะไรไปเห็นเรื่องอะไรไปเจอเรื่องที่เจ้าของเคยทําบ่อยๆอย่างเช่นบางคนไปฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์อยู่บ่อยๆฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่อยู่บ่อยๆมันก็ติดเป็ น, นเป็นนิสัยเป็นสันดานของการเข็นฆ่าจิตใจมันเฟ้นคว่างไปมันก็ไปเนื้อถึงไก่ไปนื้อถึงหมูไปเนื้อถึงสัตว์เหล่านั้นเมื่อความตายปรากฏขึ้นจิตลุดจากอันนี้รุดจากร่างกายอันนี้ไปเมื่อไหร่ ก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละไปอยู่ตรงสัตว์ที่อยของเห็นนั่นแหละที่มันมาปรากรุดนั่นแหละคือจิตใจที่เพลงฟางไปไหนมันไปเกิดตรงนั้นแหละดังนั้นท่านจึงให้พวกเราเนี่ยพยายามฝึกจิตใจของตนเองให้มันอยู่ในเรื่องบุญให้มากที่สุดบางทีผ่านกาะออกว่าให้คิดถึง่บุญกุศลที่จะ่าของได้ทำได้ให้ทานที่ไหนเคยสร้างโบสถ์ที่ไหน เคย ส, สาราส้างสลาไปยสร้างกุฏิถวายที่ไหนไหมเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าเผื่อเราได้คิดถึงการที่เราได้ทำความดีและจิตใจมันเบิกบานของใสถ้าเผื่อจะขาดใจตอนนั้นจิตออกจากด้านตอนนั้นมันก็ย่อมไปในที่ดีในที่เบิกบานของใสทีนี้อันที่ดีที่สุดที่เป็นบุญที่สุดเป็นกุศลที่สุดท่านบอกภาวนา ท น, นั่นการที่เราภาวนาฝึกจิตใจให้ลงสู่ความสงบนี่นะ่ะมันเป็นสมาธิเป็นฌานอันนี้เป็นบุญกุศลที่สูงถ้าเราฝึกให้จิตลงสู่ความสงบอยู่บ่อยๆจนเป็นนิสัยเมื่อจิตเกิดกระสับกระส่ายมาแล้วก็เกิดไปถึงจุดที่มันไม่มีที่จะไปไม่รู้จะเอาอะไรแล้วจิตมันก็จะลงสู่ความที่เคยชินของมัน ไม่จะลงสู่ความสงบมันจะพยายามลงมาสู่ความสงบโอ้พึ่งไหนก็พึ่งไม่ได้แล้วพึ่งหมอก็พึ่งไม่ได้มันก็จะรวมมาอยู่ที่ตรงนี้จะรวมกลับมาอยู่เออพึ่งใครไม่ได้เลยเลยกลับมาอยู่อยู่เฉยๆการที่จิตอยู่เฉยๆนิ่งอยู่ข้างในนี่จิตก็เป็นสมาธิคือเราฝึกมาอย่างนั้นเจออะไรกระทบกับอารมณ์อะไรเราก็พยายามเราฝึกฝนมาแล้ว ฝึกฝนให้จิตอยู่อารมณ์อะไรมามันก็ไม่ไปการที่จิตเข้าถึงอารมณ์อย่างนั้นอยู่แล้วก็มันเอิ้อตายไปขนาดนั้นพอดีจิตออกจากล่างพอดีก็ไปสู่ความสงบนั่นท่านบอกว่าผู้ที่ถึอแก่กรรมหรือชีวิตสิ้นสุดในขณะที่จิตเป็นฌานเป็นสมาธิแล้วเกิดเป็นพรมผู้ที่ตาย จิตดับพอดีขณะที่ล้ำลึกถึงความดีล้ำลึกถึงทานล้ลึกถึงศีลเป็นต้นจิตใจก็เบิกบานท่านเหล่านี้ท่านว่าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพเทวดานี่แหละการฝึกผลนี่เราฝึกผลให้มันได้เรื่องดีที่สุดผู้ที่สามารถทําทานแต่ยังไม่สามารถรักษาศีลยังไม่สามารถภาวนาก็ทําทาน ถ้าผู้ใดสามารถรักษาศีลได้ก็รักษาศีลอีกด้วยถ้าผู้ใดภาวนามีโอกาสภาวนาก็ตั้งใจภาวนานี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ท่านบอกว่าบุญถึงแม้จะเล็กจะน้อยก็ทําทบุญใหญ่ก็ทําทบุญเล็กก็ทําเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายตีนิยมการทําบุญการทําคุณงามความดีต่างๆ เพราะรู้ว่าอันนั้นเป็นเหตุให้จิตใจเราเบิกบานของใสถ้าเกิดเราเข้าตาอักตาจนเข้าจิตใจก็อย่าลำลึกถึงสิ่งดีๆที่เราทำนี่เรียกว่าเป็นการไม่ประมาทมีโอกาสเมื่อไหร่เราทาความดีไ้เลยแทนที่จะให้โอกาสไปทาความชั่วแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจรักษาจิตรัก า, ก า, ก า, กาใจไว มีโอกาสทาพอดีทำทัน ท, ทีอันนี้จึงจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ประมาทการไม่ประมาทก็คือการนี่แหละการเฝ่ารักษาจิตใจของตนเองให้ละเว้นความชั่วให้ประพฤติความดีอย่างนี้แหละมิทานรักษาศีลเจริญภาวนาคุนต้นนัติปฏิบัติอย่างพวกเราในก่อมาภาวนากันอันนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดสูงส่งที่สุด ถ้าสมมุติว่าเป็นการหาอยู่หากินไปหาเงินหาทองทำไร่ทำนาเลือกสวนใดในการแล้วก็เอาสิ่งของที่สิ่งเอาสิ่งที่เครื่องปูกของฝังพ้นเขมันนะเอาไปขายเอาไปขาแล้วได้เงินมาแล้วมาซื้อทองคํากักตุนไว้นี่จะทําอะไรอะไรก็อนในที่สุดซื้อทองคํากักตุนไว้ นี่การภาวนาเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเราไปขุดไปหาเอาทองคำโดยเฉพาะเลยไม่ต้องไปหาเรื่องอื่นแล้วมาค่อยมาแลกแลกเป็นเงินไม่จริงมาแลกเป็นทองคำการภาวนาเนี่ยเปรียบเสมือนอย่างนั้นะ่ะเป็นการทำให้ถึงสิ่งที่ปรารถนาโดยตรงที่สุดเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดที่จิตที่ใจโดยตรงที่สุดการให้ทานการรักษาศีล บางทีท่านก็บอกว่าเป็นบุญในทางกายเป็นบุญในทางวาจาการรักษาศีลเป็นการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วที่สุดของความมุ่งหมายของศีล น, นั้นก็คือให้จิตใจของเรานี่ดีขึ้นนั่นเองหรือเป็นการขัดเราขัดเราที่จิตใจเราจะสังเกตบอกว่าการรักษาศีลถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็มันไม่เป็นศีล เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคำว่ามีเจตนาความมีเจตนาจะวิรัตจะงดเว้นนะนะเป็นตัวศีลถ้าการรักษาไม่ได้ตั้ง อ, อกตั้งใจปล่อยเลื่อยเปื่อยไม่เรียกว่าเป็นศีลไม่เรียกว่าเป็นศีลเลยต้องมีการตั้ง อ, อกตั้งใจว่าจะรักษาละ น, นะจึงเป็นศีลเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาลงที่ใจถ้าเรา็พื่อปฏิบัติที่ใจแล้วแล้วก็มันได้ประโยชน์ตรงไปตรงมาถ้าเวลาทั้งหมดเรานึกว่าเรามีน้อยเราเอามาทำอันนี้เถอะเอามาทำที่ใจของเราเนี่ยพยายามรักษาให้มันอยู่กับนี้อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวนี่แหละอย่าไปรับรู้อะไรอื่นที่อื่นมันไกลถ้ามันไกลออกไปถึงมันจะดีขนาดไหนมันก็พึ่งไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยพึ่งไม่ได้ มันต้องขึง้นไอ้ที่อยู่ใกล้ตัวนี่แหละอย่างคำโบราณภาษิตโบราณของไทยบอกสิบเพี้ยใกล้มือเนี่ยถึงจะเป็นเล็กน้อยแต่ไปเป็นเงินที่เรามีอยู่เป็นสตังที่เรามีอยู่มีประโยชน์กว่าเงินทองเป็นล้านๆที่อยู่ที่อื่นไกลๆนูน่นความหมายมันเป็นอย่างนั้นก็จ ะ, ะนั้นเราสุดเนี่ยเอาตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาใจด้วยที่นี่แหละมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันด้วยไอ้มันเป็นอยู่ในนี่แหละ มันจะสงบหรือไม่สงบว่ากำหนดอยู่ในนี้พอกําหนดอยู่ในนี้นานเข้าม 1991, no oui, like ันจะเฉลียวฉลาดขึ้นมันจะเฉลียวฉลาดในเรื่องจิตเรื่องใจของตนเองนี่แหละมันจะเฉลียวฉลาดมันจะรู้จักว่ากําหนดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กําหนดเบาขนาดนี้กําหนดแรงขนาดนี้จดจ่อขนาดนี้มันจะรู้จัก มันจะรู้จักจิตใจของตนเองอันนี้แหละเป็นความรู้จักแรกๆสุดอันนี้แหละจะเป็นประโยชน์มากถ้าในที่สุดเราไปถึงทางที่มันตันมันตันน่ยมันตันด้วยกายด้วยวิจาด้วยใจในที่สุดมันตันด้วยใจแล้วเราก็ยังมีที่ออกเรายังมีที่กลับมามาอยู่ตรงนี้หลบภัยได้พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราทั้งหลายเอาตนเป็ น, นปิ้งปิ้งของตน ตนเป็นได้พื้นของตนแต่ตนไม่ใช่แขนใจขาไม่ใช่กลนหลังเอวล็อกตนนะ่ะคือใจทีนี้ใจเราเนี่ยมันพึ่งตนเองได้หรือ ม, มันแข็งแรงหรืออย่างมันคอจะพึ่งได้หรืออย่างถ้าเปรียบต้นไม้น่ะว่าร้อนหรือถ้าร้อนก็เขามาสุขใจ ต, ต้นไม้ ส, สิที่นี้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันยังไม่โตซิมันโตหรื อ, อยัง หลักคือมาดูมาประครบกระมงมมันเจ๊ะให้มันเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแล้วมันมีิ่งมีกา้นานต้นไม้เติบโตมีสงมีก้กานจะไปพึ่งร่มพึ่งเงาก็ได้จิตใจเหมือนกันถ้ามันเข้มแข็งมันเติบโตมันเข้มแข็งล่ะอันนั่นละ่ะมันจะร่มเย็นถ้ามีเรื่องมีเหตุหรือมีความกระสับกระส่ายมีเรื่องเดือดร้อนมามีอารมณ์รุนแรงพุ่งพล่านมา หลบแทบเข้ามาอยู่ในเนี่ยพึ่งที่ใจเนี่ยใจของตนเองพึ่งได้ท่านบอกว่าเมื่อฝึกดีแล้วน่ะจะได้ที่พึ่งอันหาได้โดยยากมันก็ยากเลยสิจะไปพึ่งที่อื่นมันพึ่งได้เลยพึ่งใจคนอื่น่านก็พึ่งไม่ได้พึ่งใจไหนก็พึ่งไม่ได้ใจคนไหนก็พึ่งไม่ได้ใจของครูบาอาจารย์ใจของพ่อของแม่ใจของเพื่อนพึ่งไม่ได้ มันต้องเป็นใจของตนเองเนี่แหละในที่สุดต้องบกกลับมานี่ถึงต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นไม้ของเรามันจะเล็กแค่ไหนในที่สุดก็ต้องอาหัวไปซุกอยู่ใต้นี่มันถึงจะได้ลมเย็นบ้างถ้าต้นไม้มันยังเล็กอยู่มันก็เย็นนิดหน่อยเท่านั้นสิกลับมาเสียมาประกบประงมอยูต่ตรงนี้แหละอย่ามัวไปวิ่งว่นถ้าเราเป่ามันดูแลประกบประงมคอยดายหญ้าคอยทำละสี่ที่จะมันมาก่อมาปวนในที่สุดจิตใจก็เติบโตเส้นแข็ง ก็มีคุณภาพเ่ยเราจะพึ่งเราพึ่งใดรตรงนี้แหละวันนี้เราฟังเทกของน้องปู่ทำจิตให้สงบงนี่กำลังใจนะให้คิดว่าเราทุกคนในนีนะ่เป็นผู้ที่มีโอกาสแล้วตรงนั้นนะมิฉะนั้นอย่าไม่ได้มานั่งสบายอย่างนี้หรอกเพื่อนก็มีอยู่พร้อมอยู่ในนี้มรรยากาศก็มีอยู่เพ่อให้เราได้ทำความภาคความเพียรกันมีบุญแล้วเราก็เป็นผู้หนึ่งที่จะถึงคุณธรรม ประการต่รางๆได้ถ้าผู้อื่นที่เขาอยู่ไกลๆแล้วเขาไม่มาสนใจมันจะถึงไหมเราเราคิดดูง่ายๆนะพ่อปอยมันก็ไม่ถึงแล้วมันก็มีแต่ผู้ที่ตั้งใจกระพุ้ดปฏิบัติเท่านั้นแหละเหมือนคนจะเดินทางเหมือนคนจะไปสีเชียงใหม่อย่างเนี้ยคนที่จะถึงสีเชียงใหม่ก็คือคนเดินทางไม่ใช่คนนั่งอยู่เฉยๆแล้วคิดว่าอยากถึงสีเชียงใหม่จ้าแล้วถึงอ่างนะ้น นั่งอยู่นานนัเป็นปีมันก็ไม่ถึงส่วนผู้ที่จะถึงคือผู้ที่เดินทางไปจึงถึงสีเชียงใหม่นี่เสมอกันผู้ที่จะบรรลุกุณธรรมก็คือผู้ที่ตั้งใจทำนะผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมนี่